พระตายปิดกเล่มที่สิบสีจุละราหุโลวาทาสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่า ธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตต์ของราหุลแก่กล้าแล้วทางที่ดีเราพึงแนะนำราหุลในธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตต์หมายถึงธรรมะสิห้าประการคือเว้นบุคคลห้าจำพวกได้แก่ผู้ไม่มีศรัทธาผู้เกียจคร้านผู้หลงลืมสติผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นและผู้มีปัญญาสาม คบบุคคลห้าจำพวกได้แก่ผู้มีศรัทธาผู้ขยันผู้มีสติมั่นคงผู้มีจิตตั้งมั่นและผู้มีปัญญาพิจารณาธรรมะห้าประการคือพระสูตรที่น่าเรื่อมใสสัมมาประธานสูตรสติปัะธานสูตรฌานและวิโมกและญาณเจริยาอีกในหนึ่งหมายถึงธรรมะสบห้าประการ คืออินทรีย์ห้าประการสัญญาอันเป็นส่วนแห่งธรรมะเครื่องตรัสรู้ห้าประการและธรรมะห้าประการมีกัลยาณมิตรตาเป็นตน้นร้านเวลาเช้าหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลให้ไปที่ป่าอันถวันเหล่าเทวดาหลายพันองค์รู้ข่าวว่าจะทรงแสดงธรรมโปรดพระราหุล จึงติดตามไปด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราหุลดังนี้ว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรจากขู่คือตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขา่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปราพันาเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่กวรเลยพระพุทธเจ้า่ะปราหุนเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ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 เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะข้อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิง่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความราผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจากกุสัมผัสเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่าข้อสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าขา่าข้อสิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าะาราหุนเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข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 ข้อนั้นไม่กวนเลยพระพุทธเจ้าค่ะและโดยในยะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะและธรรมารมณ์จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสขานสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสและมโนสัมผัสและแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสแต่ละประการนั้นเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขา่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความประภัณเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะปราหุนอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุสัมผัส แม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยและโดยในยะเดียวกันย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะในเสียงในคานะในกลิ่นในชิวหาในรสในกายในโภทภพย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสแต่ละประการเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจารย์แล้วทำกิจที่กวรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิดนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ตรัสวยากรณาพาสิทนี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นและธรรมจากสุขอนปราศจาธุลีปราศจากมนทิน ได้เกิดแก่เทวดาหลายพันองค์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้แหละจบจุลราหุโลวาทาสูตร